ข อ, น, อ, น, ขอนับนามอรตนาทรัยข้าราชการนักเุียนนักพเขีย น, น, ยนและขอกกาบพระเถรานุเถระครูอาจารย์ที่มาร่วมในกิจกรรมร้างฐานทิศครั้งนี้และต้องขอเจริญพรญาติยโยมผู้รักสุขภาพทุกท่าน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 ชีวิตของเราเนี่ยเรามีชีวิตอาหารการกินเนี่ยเราก็กินไปนตามที่เราเคยกินหรือว่าชอบอาบางครั้งมันก็เป็นพิษเป็นโทษทีหลังนะโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกของที่ของมันของอะไรทั้งหลายนะมันก็เป็นจุกตะกรันซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันพอนะรู้จีก็เป็นโรคไตใกล้เจ็บไปแล้วแตนะ่ซึ่งตัวนี้ก็ เป็นเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนนะได้ได้มาฟังหมอหนา้าพูดแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าโอ้มันมีเรื่องนี้ด้วยนะอาหารการกินชีวิตประจำวันของเราเราบำรุงบำรเลอร่างกายของเราเนี่ยแล้วมันก็ทําให้เกิดพิษภัยขึ้นมานะจนเราจะต้องมาล้างพิษกัน ทนี้ในแง่ของจิตใจเนี่ย <c oughs> ก็มีเหมือนกันนะกจิตใจของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีเราก็ทำไปตามความคิดชินบางทีเราก็ทําไปตามอารมณ์บางทีเราก็ทําไปตามคว า, า, า, ามคิดเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนบางคนเนี่ยอายุยิ่งมากขึ้นก็เป็นคนที่อาจต่ใจตัวเองแลนะเป็นคนที่มีความ ทุกง่ายสุขยากอะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นคนที่ตกิกังวลพี่แม้แต่ที่เราม า, าล้างสารพิษกันเนี่ยนะแตมาด้วยกับผมเองก็เชื่อว่าเราก็เห็นความสาคัญในเรื่องของสุขภาพกายนะแต่สุขภาพใจเนี่ยก็เป็นส่วนสาคัญอีกางนึงที่เมื่อวานท่านอาจารย์ธนชิชก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่าคนเราเมันก็มีทั้งกายก็มีทั้งใจ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 เร อ, อยู่ในถุงน้ำดีนะฮที่มันสะสมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นวัตถุอนะมันเป็นความเคยชินที่เราทําอะไรไปตามความเคยชินหรือตามความยากแล้วเราก็มีรู้ถ่ามันอ่เพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็จะทุกข์โดยที่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันจากโรคที่เราได้เรียนรู้จากโยมหมหน้าเนี่ยจะ้จาให้เห็นเลยว่ามูลเหตุหรือสาเหตุสำคัญของโรคเนะี่ยมันเกิดจากการที่มีนิ้วเขาีเป็นต่ำ ตรงนี้เนี่ยเป็นสายเหตุแล้วก็ไปแก้ตรงเหตุทีนี้ในเน่้ยของความทุกข์ของพวกเราเนี่ยแล้วก็เกิดตรงที่เราไม่รู้ทันความคิดหรือไม่รู้ทันอารมณของเราโดยเฉพาะความคิดเนี่ยเป็นส่วนสำคัญสิ่งที่จะมารู้ทานความคิดได้ก็คือความรู้สึกตัวหรือสตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยอเจ้าชายทิสตาได้ค้นพบเมื่อประมาณสองพันกว่าปีนะเราก็ได้เรียนรู้กันมา แล้วก็คูบาอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันแลก็มีรูปแบบของการปฏิบัติหลายรูปแบบทีนี้พอมาถึงในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่กเทียนท่านก็ได้เอาวิธีการนั้นมาใช้เพียงระ่ว่มาประยุกต์ใช้กับสัมงคมอุตสาหกรรมสรรมัยก่อนเราเป็นสังคมเกษตรกรรมก็เป็นสังคมที่เราไม่ต้องรีบร้อนเรามีเวลา ที่จะนั่งภาวนาหลับตาบริการอะไรต่างๆได้แต่ใน ว, วันนี้เนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวเราต้องลุกตางเราต้องเดินเราต้องทํานู่นต้องทํานี่เพราะฉะนั้นวิธีการเจริญสติที่ท่านอาจารย์คำชิตได้แนะนำไปเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปเป็นการประยุกตนะ์เอาเรื่องของการสุกความรู้สึกตัวเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันเนื่องจาก ตัวเราเนี่ยหรือใจเราเนี่ยมันไม่เข้าอยู่กันเนี้อกับตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอุบายที่จะดึงใจเนี่ยมาอยู่กันเ น, นเี้อกับตัวเป็นการยกมือสร้างจังหวะเดินชมกลมซึ่งเมื่อวานท่านอาจารย์ณพิธก็ได้แนะนำไปแล้วก็คิดว่าพวกเราคงจะได้รูปแบบและ ว, วิธีการที่ฝึกซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวกะผมเลือกสบายเองที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็นอกจากจะได้เรื่องของกายแล้วเนี่ยเราก็ได้เอาเรื่องของคํามฐานที่เราฝึกเนี่ยมาใช้ในเวลาที่เราหิวเนี่ยเรารู้สึกย่างไรเราโกนกระวายไหมหรือร่างกายก็หิวไปแต่ใจเราเป็นปกตินะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะมาใช้ในการฝึกได้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 ถามว่าเอ๊ะเราไม่มีความรู้สึกตัวเหรอมีแต่ที่มีอยู่เนี่ยมันเฉืยมันเฉืยมันไม่ทําเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าโกรธไม่ดีเบื่อไม่ดีแต่แก็ยังโกรธอยู่เห็นไหมเพราะว่าสติมันมาไม่ทันความโกรธนี่มันแวดขึ้นมันเรงวมากเส้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราที่ฝึกสติเอาไว้ ไ้ฝความรู้สึกตัวไวเนมันจะช่วยได้มากโดยเฉพาะในช่วงที่เรามาอยู่กันสี่ห้าวันตัวกับผมเรียกทำไมเราคิดว่าพวกเราเขาคงจะได้เรียนรู้กับความทุกข์ของของร่างกายแล้วก็ความทุกข์ของจิตใจซึ่งมันติดกันอยู่แล้วแต่บางคนก็มีตกความวด่นต่างๆน้านาขาดการร่วมหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้าไปตีหน้าแล้มันจะเป็นยังไงบางคนก็เลยต้องกักตุนเงินเยอะ ดื่มน้ำมะขามเยอะๆซึ่งนี้เส้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นปัญหาภายหลังได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นีก็เป็นเรื่องที่เรามันเป็นปัญหาทางจิตใจด้ยยวยแตนะ่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะทางกายอย่างเดียวแต่ถ้าเราฝึกสติเอาไว้ฝึกความรู้สึกตัวไว้เนี่ยเราก็จะวางใจสบายๆกายเนี่ยมันก็ทุกขนะ์นะก็ทุกข์ไปเบี่อยู่นะแต่ว่าใจเราไม่ไปอยู่ยงกับมันด้วย เรารู้อยู่แต่เราวาใจเป็นปกติเพราะความรู้เส็กตัวเนี่ยมันมันปลอดสมดุลเพราะนั้นตัวสติหรือตัวความรู้สึกตัวเนี่ ย, เ, ยเหมือนเป็นตัวมาล้างมาล้างความไม่รู้สึกหรือความคิดต่างๆแต่ตรงนี้คือการล้างพิกใจพอดเพราะนั้นเรามาครั้งนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าจริงปืนนัดเดียวไม่นกสองตัวก็คือล้างคลิกาย แล้วก็ล่างพิจายด้วยร่างพิจารยเราก็ทําต า, ตามที่หมอ น, นาหรือกลุ่มที่เขาได้แนะนําไว้แต่นั้นคือร่างกายส่วนร่านพิจัยก็คือมาทำความรู้สึตัวแต่ซึ่งมีรูปแบบที่ได้ฝึกกันไปแล้วเมื่อเมื่อวานนี้แนตะ่ตรงนี้บางคนอาจจะเคยฝึกแล้วบางคนอาจจะยัไม่เคยฝึกแต่ก็คนะิดว่ า, าลองทําดูนอะกจากเราจะได้สุขภาพกายที่ดีขึ้น เราก็ได้สุภาพใจที่ดีขึ้นมาด้วยนะแล้วก็อยจะไปใช้ในชีวิตประจาวันจากประสบการณ์ที่ตัวผมเล่นธรรมาเองได้ร่วมการนับพริกข่าที่แล้วเนี่ยก็มีสิ่งที่ออกมาก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะจะเป็นครั้งแรกนะแต่ก็สิ่งหนึ่งการอันหนึ่งก็ได้ได้ถูกความนนนะอดทนเอาชดต่อความผิวอดชนต่อสภาพที่ร่างกายเอา ม, มันไม่มีอาหารที่เราเคยเคยกินเคยชิมอันีแ่แต่ของเดีวแล้วก็ตอนดีทอ็อกออกมาก็จะออกมาเน่เรื่องคบายออกมาได้ดีมากและตอนนั้นแล้วมันประกอบก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าตัวพระพธมาเองเนี่ยดูแลเรื่องอาหารในการในการออฉันลดคามขมควรอะไรมันๆอะไรหวนานๆใ่พยายามเลี่ยง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 การกินเราเราเป็นอย่างไรนะ ต, ตรงนี้และคิดว่าเมื่อผ่านคอร์สล้างพิกไปแล้วเนี่ยน่าจะมีส่วนของการเรียกให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการในการกินอาจจะก่อนเราอาจจะเคยกินตามที่เราเคยชินอะไรอร่อยๆร่อยอะไรมั น, มนก็กินไปตามนั้นซึ่งผลที่เกิดขึ้ น, นมันก็แสดงออกมาแล้ว ที่เรามาล้าพลิกต้องล้าพลิกกันอ่าีนะ้ตรงนี้ก็หน้าที่จะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินได้ด่านะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับสมดุมของกายแล้วนกะ็ถ้าเราได้ฝึกสติสเจริญสติเนะี่ยก็จะเป็นการปรับสมดุลในัยของเราด้วยอันะนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นประโยชนนะ์ที่มาร่วมกันใช้ชีวิตในในครั้งนี้นะครับก็ ตัวก็วผมได้ทำมาเองก็คงจะไม่ไม่ได้ต้องการพูดอะไรมากนะเพราะว่าสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังในข่าวที่แล้วเเมื่อวานนี้นนก็น่าจ ะ, ะเป็นสิ่งที่เป็นที่เราให้เราได้สึกค่นะแต่ก็อยากจะใช้เวลาที่เหลือ น, นี้อีกประมาณ ส, สักสินาทีเนี่ยดอยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยร่วมกันมาจเจริญสติ นะประมาณสักเจนาทีร่วมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวก็ให้ท่านแจ้งได้กาเสนอต่อไปแล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับได้ร่วมกันเจเริสิร่วมกันนะรประมาณสักเจนาทีนะครับ ก็ขอสมควรนในเวลาก็ขออารมณ์อัตน า, าจูหมหนาแลวก็ทีมงานที่ได้มาจัด ก, กิจกรรมครั้งนี้อะไรพว ก, การดูแลอภิสุทสงท์างที่อาภาษหรือไม่ได้อาภาษก็าตาม่การดูแลพระสงที่อาภาษ ก, ก็เหมือนผู้จัดจ้างพวกนั้นก็เหมือนกันได้ดูแล กับเจ้าอบด้วยนะก็พวกเราได้มาอดูแลสุขภาพของตัวเราเองอังนนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะที่เกิดขึ้นนะโดยเพราะว่าสุขโขทัก็ได้เป็นสถานที่ที่ต่อใหเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็ท้ายที่สุดนี้เนี่ยก็อยากจะขออนยพาให้ความตั้งใจของทุกท่านที่มาดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ย อยากมีส่วนที่จะช่วยให้ทุกท่า น, นมีสุขภาพที่ดีขึ้นอายุยืนยาวและก็มีสุขภาพใจเนี่ยก็คือความเป็นปกติของใจเนี่ยได้อยู่กับตัวเราและก็ได้พบได้เห็นในปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากอาไว้ก็ขอตัวลาทุกท่าน